สมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมอันนะราคะไม่กลุ่มรุมเลยไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวใจขณะนั้นตรงที่สุด น, นะก็อริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปราลบทัตถาคตย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปรามโมทอันประกอบด้วยธรรม เขาบอกว่าโอ้โหถ้ามามัแต่นึกถึงคําว่าอารหังเสียเวลาปฏิบัติแย่เลยยัว่าไหมเสียเวลาปฏิบัติไหมครับโอ้เนี่ยมัแต่อรหังอรหังเสียเวลาปฏิบัติใช่ถ้านึกถึงคําอาจจะใช่แต่ในที่นี้คําว่าละเล็ดถึงพระพุทธะถาคตอรหังอรหังเนี่ยนะก็คือรู้ว่าอารหังไกลาจากกิเลส ก, ากําจัดข้าศึกคือกิเลส หากซี ก, การแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการทำบาปควรแก่เครื่องศั ก, กระอยู่ไกลจากคนชั่วอยู่ใกล้ต่อคนดีคนดีมีพระอริยะเป็นต้นไม่ทอดทิ้งท่านคือผู้กำจัดบาปประธรรม น, นะเป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญโดยพระคุณโดยประการต่างๆเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แท้จริงเนี่ยถ้าถ้าระลึกแบบนั้นด้วยความรู้ความเข้าใจจิตขณะนั้นไม่ถูกราคาไม่ถูกโทสะไม่ถูก โมหะกลุ่มรุมเนี่ยนะจิตขณะนั้นดาเนินตรงยิ่งพิจารณายิ่งตามระลึกเท่าไรความรู้ในอัตความรู้ในธรรมก็จะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีความรู้อัตรู้ธรรมก็เกิดความปราบปลิ่มใจปราโมทเนี่ยนะเกิดความปลื้มใจนั่นแหละปราโมทก็เป็นเหตุให้เกิดปีติคือความอิ่มใจเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติก็มีปัสสิ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 ก็จะเห็นคุณธรรมทั้งหลายดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่าอริยาสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยในหมู่สัตว์ผู้ไม่สงบเรียบร้อยเรียกว่าเป็นผู้สงบในหมู่สัตว์ที่วุ่นวายเมันนั้นนหละเป็นผู้ที่มีความสงบในหมู่สัตว์ที่ไม่มีความสงบสงบนี้สงบทางไหน สงบทางกายวาจาและใจถ้าอยายะสวะบกขณะนั้นเนี่ยกายวาจาใจท่านสงบเรียบร้อยในหมู่สัตว์ที่ไม่สงบเรียบร้อยเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ชั่วทางกายก็ชั่วทางวาจาไม่ชั่วทางวาจาก็คิดชั่วทางใจเนี่ยนะซึ่งโดยปกตินะเราก็ชอบเรียกร้องอะไรนะรอบชอบคิดถึงคนเลวอยากให้เขาเป็นคนดีนะเขาน่าจะอย่างนั้นเขาน่าจะอย่างนี้นะนะบอกโอ้ท่านหาอย่างนั้นหน้าอย่างงี้นนะพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะ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 รันถ้าเจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะด้วยความเข้าใจแต่ละบบเลยนะตั้งอรหังสัมมาสามัมพุทโธทําความเข้าใจในทุกคําแล้วใจเนี่ยโคจรท่องเที่ยวมีพระพุทธคุณอย่างนี้เป็นที่อยู่เนี่ยนะจนมีสมาธิจิตตั้งมั่นอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่มีความพยาบาทในเมื่อหมู่สัตว์เป็นผู้มีความพยาบาทนะจิตใจนี่ไม่โกรธนะขณะนั้นในหมู่สัตว์ที่กําลังตรุนอยู่ด้วยความโกรธแต่ตัวเขาไม่โกรธ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสะแห่งกุศลธรรมกระแสะแห่งกุศลธรรมก็หลั่งไหลไปเนี่ยนะกระแสะแห่งอธิจิตจ ต, จตสิกขามีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์กระแสะแห่งอธิปัญญาสิกขาก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องย่อมเจริญพุทธานุสติอันนี้เป็นอนุสติข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่ารำหกควรเจริญคือ พุทธานุสติเนี่ยนะพุทธานุสติคือทำหกพิโกรเจริญเพราะนั้นท่านบอกว่าเครื่องอยู่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธานุสติเป็นเครื่องอยู่เพราะนั้นถ้าเราจะขอมีที่อยู่ทางใจเนี่ยนะบ้านหลังที่หนึ่งคือพุทธานุสติเนี่ยนะดูว่าจะสร้างสําเร็จไหมครับสร้างพุทธานุสติเอาไว้ในไอ้สวดได้กับมีพุทธานุสติอยู่ในใจนี้เหมือนกันไหมคือบางคนเนี่ยได้โดยพยัญชนะแต่ไม่ได้โดยอัถฐ คำว่าได้โดยพ ย, ยัญชนะหมายว่าสวดได้หมดเลยแปลได้หมดเลยนี่เรียกว่าได้โดยพยัญชนะถ้าได้โดยอัฏฐะเข้าใจความหมายกับทุกคําคนที่ได้โดยอัฏฐะกับได้ความปรับลื่มใจในในในนี้ก็แตกต่างกัน<ม>บางคนนี่ได้โดยทั้งพ ย, ยัญชนะอัฏฐะพร้อมทั้งความปรับลืล่มใจบางคนนี่เจริญได้ความปรับเรื่มใจแต่แหมเดือนละครั้งอมนานไปเนาะอาทิตย์ละครั้งก็ยังใช่วันละครั้งดีกว่า น้อยไปวันละสองครั้งตอนไหนเช้าเย็นสาทุถ้าจะตายก็ขอให้ตายเช้าหรือตายเย็นเอาถ้าตายตอนนั้นมันปลอดภัยหน่อยอถ้าตายเวลาอื่นช่วยไม่ได้นะไม่แน่นอนนะ <c oughs> แล้วถ้างั้นขตายตอนไหนนะย <c> ก <oughs> เอาอยู่ตอนไหนที่อ่กับกรรมาฐานก็ขอให้หนอนนั้น มันก็ต้องเจริญจนกว่าจะเรียกว่าพร้อมทุกเวลาและพร้อมทุกโอกาสเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ๊ยไม่พร้อมเขายังไม่ตายง่ายหรอกคนที่พูดอย่างนี้ตายเยอะแล้วนะไอคนที่บอกอ๊เขาจะตายแล้วจะตายแล้วอายุยืนจังเลยเนี่ยนะไอคนที่บอกไม่ตายไม่ตายเนี่ยนะโดยมากเชื่อไหมพวงนั้นไปงานศพมาเรียบร้อยแล้ววันก่อนโยมเขาเราบอกอ๊ยเขาไม่ตายหรอกคำนั้นเสร็จแล้ว ตอนเนี้ยกระดูกน่าจะเป็นผงไปเรียบร้อยแล้วคนที่พูดเนี่ยอุย้ยเขาไม่ตายเขาอย่างนั้นอย่างงี้คุยขี้โม้ใหญ่เลยไม่ตายไปเรียบร้อยแล้วไ น, น่าเชื่อเลยอะ่ะแต่คนที่ทําท่าจะตายนะอยู่ได้จนถึงทุกวัน <laughs> นั่นนะไอ้คนทําท่าจะตายบอกอุย้ยมันจะตายมานานแล้วมันไม่เห็นตายนะั่นแหละเกือบตายแล้วเหมืันกันนันก็คิดดูนะว่าเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหน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 ฆ่าสัตว์ครั้งเดียวแล้วตกนรกอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อโลกก็บอกว่าพราะถ้ามีเรือเนี่ยนะเออมามีหินน้ําหนักร้อยตันเพราะตันหนึ่งประมาณเล่มกวียนนึ่งนะเล่มเกวียนหนึ่งหเกวียนนี่บรรทุกประมาณหนึ่งตันถ้าร้อยเล่มเกวียนก็คือประมาณหินก้อนหินเ น, นี่ยน้ําหนักร้อยตันน้าหนักร้อยตันก็เทแสนกิโลอ่าน้ําหนักแสนกิโลเนี่ยเขาบอกว่า โยนลงไปในน้ําเนี่ยถ้ามีเรือลําใหญ่ๆรองรับเนี่ยน้อหินก้อนนั้นจะตกลงไปไหมไม่ตกเนี่ยนะฮะดูเรือมรรทุกเครื่องบินให้เครื่องบินแต่ละลาไม่ใช่หนักไม่น้อยน้ำ ย, ยังบรรทุกได้อะชันใดก็ดีนี้ก็เหมือนกันถ้าคนที่ทําบาป ท, ทําอกุศลถึงจะเคยก่อกรรมทําำ ท, ำทุจริตเว้นไว้แต่คารุกรรมมาแล้วเนี่ยนะเว้นไว้แต่ทํคารุกรรมมาเนี่ยเขาตามระลึกนึกถึงคนของพระพุทธเจ้าแล้วไปสุขติพระเทวทัตถ้าไม่ทําอ น, านันติกรรมพระเทวทัตไม่ไม่ไปอาบายหรอก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 ก้องกรรเนี่ยนะพุทธานุสติเนี่ยถามว่าหนึ่งในธรรมะที่จะทําให้บรรลุไหม mm hmm. พุทธานุสติเนี่ยนะหนึ่งในบรรดาองค์ที่ทําให้ตรัสรู้นะ mm hmm. องค์ที่ทําให้ตรัสรู้มีเท่าไหร่โ mm hmm. พชฌงมีเจ็ดอริยมัส ม, มีองค์แปดสติถ้าในองค์เจดถสติสามโพชฌงถ้าในองค์แปดก็เป็นสัมมาสติหนึ่งในองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้ใช่ไหมไม่ใช่ธรรมดาเพราะั้น อันนั้นคือตัวสติเนี่ยนะแต่ตัวแต่ว่าอย่างว่าในาศาสนาเราไม่เคยบอกว่าธรรมะอันเดียวบรรลุได้ทุกอย่างมีองค์หมดนะแม้แต่ฌานก็ยังมีองค์ฌานใช่ไหมพ่อชงองค์แห่งการตรัสรู้ก็ยังมีองค์เพราะนั้นแต่ว่านี้หนึ่งในบรรดาที่จะทําเป็นองค์ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้เนี่ยนะเป็นองค์อันหนึ่งเลยแหละที่สําคัญมากเนี่ยนะขอให้พยายามทําความเข้าใจในพุทธคุณธรรมพุทธคุณทุกบทเลยนะอระหังมีความหมายว่ายังไง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 ก็ดูสภาพจิตเอากันแล้วกันนะสังเกต ด, ดูตอนไหนรู้ไหมมันมั่นคงหรือไม่มั่นคงอันนี้นี่พูดแบบอันนั้นพูดจริงๆนะดูสังเกตจากส่วนโมโนเนี่ยมันพงเงือบผงอับไหมเอ็น้นทีเอนี่ทีนั่นะน่ะดูแล้วว่าโหเรือนบอกว่ า, วาอะไรนะวิหารธรรมคือพุทธานุสตเ ต, ตนี่ลมมันพัดบ่อยเหลือเกินเนี่ยโยกหน้าโยกหลังสังเกต ด, ดูเวลาเจริญพุทธคุณอ่ะนะอระหังบ๊อบมั่นดิ่งเลยนะ พงเงืดพังไม่ก็ดูจากรกาลล็กเลๆเหลือซ้ายเหลือพวาดูหน้าดูหลังโอ้ยไม่มั่นคงอะไรเลยถ้าอย่างนี้ก็ลมมันแรงพาเยือ ก, กันนาไอ้บ้านก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วใช่ไหมนล้ว ก, ก็ทํายังไงให้มันเป็นบ้านที่มั่นคงไนหะอรหังก็เป็นหลังหนึ่งที่มั่นคงมากเป็นที่อยู่อย่างดีเลยนะเข้าไปสบายสัมมาสัมพุโทโธก็เป็นบ้านอย่างดีเอาไหมเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วมันมีห้องเป็นสิบสิบห้องอนะเข้าไปอารหังก็เป็นห้องหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะกรรมฐานเขาเรียกว่าเป็นห้องนะ โบราณคนไทยแท้ๆเลยเนี่ยถ้าเป็นกรรมฐานก็จะเข้าสู่ห้องแห่งกรรมฐานแค่าเข้าห้องเลยนะเพราะนั้นอารหังก็หนึ่งห้องเลยก็ดูว่าห้องนี้มีเครื่องใช้ไม้สอยเพียบพร้อมแค่ไหนสัมมาสัมพุทโธก็เป็นอีกห้องหนึ่งเลยโอโทงเลยใช่ไหมวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตไม่ให้เข้าไปเปิดห้องไหนก็มืดมิดไปหมดไม่มีอะไรข้างในเนี่ยนะก็ก็สังเกตดูนะว่าถ้าเปรียบเทียบวัดพุทธานุสติเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่มากเนี่ยนะ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 บางทีเนี่ยนะพาเวตาธรรมเนี่ยสาคัญเพราะว่าบางคนเนี่ย อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาจนจิตใจนี่บางคนเนี่ยนะถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าศึกษาพลาดมันอันห น, นึ่งนะอนิจจังทุกขังอนัตตาจนไม่มีบุญอยู่ในใจแม้แต่นิดเดียวเลยเออะเอะก็อนิจจังเออะก็ทุกขังเออะก็อนัตตาเสร็จแล้วก็ก็เลวอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีคุณทำอะไรอยู่เลยเนี่ยมันแปลว่าศึกษาธรรมะพลาดอย่างชนิดที่เรียกว่าให้อภัยไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครให้อภัยเข้าอยู่แล้วอ่ะ ทำไมเพราะใจเขาเองไม่ให้อาภัยตัวเองเพราะสร้างแต่ทุกโทษให้แก่ตัวเองแต่ถ้าหากว่าคนที่ศึกษาถูกต้องเนี่ยนะพุทธคุณเนี่ยจะดํารงมั่นอยู่เสมอเนี่ยนะมองเห็นพุทธคุณแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องก็ดํารงมั่นมีที่พึ่งมีอาศัยเนี่ยนะสมมุติถ้ามีภัยเนี่ยว่าพุทธคุณแต่ละบทเนี่ยเป็นเหมือนหลุมหลบภยัยเป็นห้องหลบภยัยเพราะถ้ามีอันตรายปับเข้าห้องนี้เลยเนี่ยนะเข้าห้องนี้เลยแค่เหลบภัยได้แล้วว่างั้นเป็นที่หลบภัยเอ้าเวลาเราสวดอ่ะ